เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งย้อนกลับไปสักสิบปีเห็นจะได้ที่ทางแถวนั้นยังคงเป็นป่ารกทึบต้นไม้ขึ้นเบียดเสียดเต็มสองข้างทางความจะเดินยังไม่เข้ามาสักเท่าไหร่ไฟฟ้าสองสว่างตามถนนหนทางก็มีบ้างเป็นบางจุดทำให้บรรยากาศภายนอกดูน่ากลัวพอตกกลางคืนเวลาประมาณ 3- สี่ทุ่มชาวบ้านระแวกนั้นก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้ว เวลาประมาณห้าทุ่มคุณนวลที่นอนหลับอยู่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นจากการหลับไหลเพราะว่าเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นทำให้คุณนวลต้องตื่นขึ้นมารับโทรศัพท์เสียงที่ปลายสายบ่งบอกว่าเป็นเสียงของพ่อนั่นเองที่บอกให้ไปรับท่านที่ท่าน้ําวัดคลองเตยนอก คุณนวลรีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตานะคะแล้วก็รีบบึง่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปรับพ่อทันทีซึ่งระยะทางก็ห่างจากบ้านไปเป็นกิโลแถมบรรยากาศข้างนอกก็ดูวังเวงไปจากทุกคืนอาจจะเป็นเพราะว่าถนนเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถแล่นสวนมาเลยสักคันเดียวแต่คุณนวลเองก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าอยากจะไปรับพ่อแล้วก็รีบๆกลับมานอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียน พอขับรถไปถึงท่าน้ําพ่อก็มานั่งรออยู่ก่อนแล้วแต่ว่าคุณนวลบอกนะฮะบอกว่าสังเกตว่าพ่อเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวแต่ว่ามีผู้หญิงผมยาวค่ะยืนหันหลังให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณนวลอยู่ซึ่งเธอเองก็ใส่ชุดนักศึกษารองเท้าผ้าใบสีขาวคุณนวลก็เลยถามพ่อบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพ่อก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าลงเรือมาด้วยกันเธอไม่พูดไม่จาคนขับเรือถามว่าไปไหนก็ไม่ตอบได้แต่ชี้นิ้วบอกอย่างเดียว คุณนวลก็เลยร้องถามเธอไปบอกว่ากลับด้วยกันไหมมีคนมารับหรือเปล่าแล้วก็ได้ผลเธอตอบกลับมาบอกว่าไม่มีใครมารับเดี๋ยวถึงที่ลงฉันจะบอกเธอเอง ซึ่งขณะที่คุณนวลกําลังคุยกับผู้หญิงคนนั้นอยู่นะคะผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาแต่ว่ามีเส้นผมปิดบังหน้าตาอยู่บวกกับความมืดยามค่ําคืนก็เลยทําให้มองไม่ค่อยเห็นหน้าเธอแบบชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าหน้าของเธอก็ดูซิดซิดเหมือนไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายยังไงก็ไม่รู้เราเดินไปที่รถพร้อมกันคุณนวลให้พ่อเป็นคนขับ แล้วก็คุณนวลเนี่ยนั่งกลางส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นชุดนักศึกษาเมื่อสักครู่นี้ตลอดเวลาที่ขับรถไปผู้หญิงที่แต่งตัวนักศึกษาเนี่ยก็ไม่พูดจาเลยสักคําอยู่ดีๆค่ะก็มีเสียงหมาเนี่ยมันหอนรับกันเป็นทอ ด, ทอดมาแถมยังมีลมพัดมาแบบหนาวกลายเป็นระลอกจนพ่อบอกว่าเอวันนี้มันแปลกนะพอขับรถมาถึงทางโคง้งที่มีต้นหูกวางขนาดใหญ่อยู่เธอก็พูดด้วยเสียงอันแหบแห้งบอกว่า หยุดรถตรงนี้เดี๋ยวฉันจะลงแล้วพอเธอบอกให้หยุดรถพ่อก็เลยหยุดรถให้นะคะพร้อมกับหันไปมองดูว่าเธอลงจากรถหรือยังสายตาของคุณนวลเองก็เหลือไปเห็นเงาบางอย่างที่กระจกมองข้างรถภาพที่เห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นไปยืนอยู่ใต้ต้นหูกวางแล้วเป็นไปได้อย่างไรเธอลงไปตอนไหนไม่มีใครรู้ พ่อก็เลยบอกให้คุณนวลเนี่ยตั้งสติให้ดีเราไม่ได้มาร้ายเขาคงไม่ทําอะไรราหรอกพ่อก็พยายามสตาร์ทเครื่องอยู่แต่ว่าพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมติดผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงยืนอยู่เหมือนเดิมโดยที่มองพวกเราสองคนคุณนวลบอกนะคะบอกว่ามองมาด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความอาฆาตแค้นพ่อของคุณนวลทนไม่ไหวเลยละ่ะก็ต้องจอดรถแล้วก็ตะโกนด่าผู้หญิงคนนั้นไปบอกว่าถ้ายังไม่เลิกแกล้งนะจะแช่งให้ไม่ไปผุดไปเกิดเลยนะ สักพักหนึ่งรถก็สตาร์ตติดขึ้นมาเฉยๆเลยแต่ว่ายังไม่ทันที่จะขับรถออกไปค่ะก็มีบางอย่างหล่นตุ๊บลงมาจากไหนไม่รู้เฉียดหน้ารถเป็นนิดเดียวเองวัตถุตรงหน้าที่หล่นลงมาคล้ายกับลูกมะพร้าวแต่ว่าตรงนั้นไม่มีต้นมะพร้าวอยู่เลยสักต้นเดียวค่ะแล้วอะไรที่หล่นลงมาพ่อก็เลยส่องไฟจากหน้ารถเนี่ยเพื่อดูว่ามันคืออะไรสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือหัวของคน มีเส้นผมยาวๆดวงตาบวมแดงลิ้นแลบยาวชวนน่ากลัวขนหัวลุกเท่านั้นละค่ะคุณนวลตะกนบอกพ่อบอกว่าให้รีบขับรถกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยที่ไม่ต้องหันหลังกลับไปมองอีกเลยพอถึงบ้านแม่ก็ถามบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรท่าทางเหมือนหนีผีมาอย่างนั้นแหละใช่เลยแม่หนีผีมาน่ากลัวซะด้วยพ่อบอกแม่นะคะคืนนั้นทั้งคืนคุณนวลบอกว่านอนไม่หลับ นึกถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้พอรุ่งเช้าคุณนวลก็เลยรวบรวมความกล้าเข้าไปถามนาชายที่เป็นเพื่อนของพ่อบอกว่าเมื่อคืนนี้เจออะไรมาหรือเปล่า <c oughs> เผื่อว่าน้ชายจะรู้อะไรมาบ้างแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดไว้ น้าชายเล่าให้ฟังทุกอย่างบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักศึกษาถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าตายในป่าหลังต้นหูกวางคนเขาเจอกันเยอะแยะเธอไม่ไปไหนหรอกเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้เคยไปนิมนต์พระมาะแล้วแต่ว่าเธอไม่ยอมไปสักทีเที่ยวหลอกผู้คนยามค่ำคืนเวลาผ่านไป 3-4 มวันก็มีข่าวนะคะ บ, บอกว่าคนขับวินมอเตอร์ไซค์แถวท่าน้าเนี่ยก็โดนดีมาเหมือนกัน เรื่องผีนี่จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งค่ะคือเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของผู้ที่จะได้เจอเจอเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือมีแต่ตัวคนที่ถูกผีหลอกเท่านั้นแหละที่จะได้รู้ได้เห็นคนอื่นๆแทบจะไม่เกี่ยวเลยแถมมีน้อยรายที่จะโดนผีหลอกกันซะด้วยเพ ล, ล๋อเล่าให้ใครฟังนะคะก็ไม่มีใครเชื่อก็หาว่าเพ้อเจอ้อเลอะเทอะงมงายเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณโย่งค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ตอนที่เฝ้าบ้านตามลำพังเพราะว่าพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายเนี่ยไปต่างจังหวัดกันหมดขณะที่คุณย่องติดสอบแล้วก็คืนนั้นเองคุณย่องบอกว่าถูกผีหลอกหลังกินข้าวเสร็จคุณย่องเดินดูความเรียบร้อยรอบๆ บ, บ้านก็มีหมา3าตัวนะหมาไทยคอยตามติดแบบว่ า, าเจ้านายไปไหนลูกน้องไปที่นั่นประมาณนี้แล้วก็มีคุณสมบัติคือเห่าเก่งดุมากแต่ขี้ประจบนะคะ มีหมาแบบนี้ก็สบายใจไปอย่างหนึ่งคุณโย่งบอกคือถ้าใครแยมเข้ามาในบ้านแล้วก็หรือแค่ด้มๆม อ, มองๆที่ประตู3ตัวนี้ก็เห่ากระโชกแบบขวัญกระเจิงแล้วนะคะคุณโย่งล็อกประตูรัว้วประตูบ้านเรียบร้อยแล้วก็รูดม่านปิดไฟแต่ว่าทันทีที่มือกดสวิตดังแชะไฟดับพรึบวินาทีนั้นล่ะคะ่ะมีเสียงคนใส่รองเท้าแตะวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วฟึบโดยมีแค่ประตูกระจกและก็ผ้าม่านกัน้น โดยสัญชาตญาณคุณโย่งบอกว่าตลบผ้าม่านมองออกไปทันที ขณะนั้นเองภายในบ้านเนี่ยมันมืดสนิทนะก็เลยมองเห็นภายนอกอย่างชัดเจนแสงสว่างจากแสงจันทร์และก็ไฟถนนคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงภาพที่เห็นเขาบอกว่ามีแต่สนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้เอ้มันเป็นไปได้ยัางไงาเสียงคนวิ่งชัดๆแถมดังมากซะด้วยวิ่งตั๊ปป๊ปปผ่านหน้าไปทางขวามือซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณย่องบอกตรงนั้นคือกำแพงไม่มีทางที่จะหลบไปไหนได้ คุณโย่งยืนงงอยู่สักครู่หนึ่งพร้อมกับคิดว่าอาจจะเป็นเสียงคนวิ่งที่ถน น, นหน้าบ้านกระมังเอ๊แต่ว่าฟังไม่ผิดนะเมื่อกี้เหมือนวิ่งจากซ้ายไปขวาเออแต่ช่างเถอะอย่าคิดมากไปดูหนังสือต่อดีกว่าเดี๋ยวสามทุ่มแล้วคุณโย่งก็เลยเดินขึ้นบันไดบ้านแบบมืดๆอย่างนั้นแหละนะคะก็คือบ้านเราเองอะเนาะเดินขึ้นเดินลงทุกวันหลับตาเดินยังไงก็ยังได้พอถึงสุดบันไดก็เปิดไฟแล้วก็เลี้ยวเข้าห้องเปิดไฟสว่างจ้าเปิดแอร์สบายใจ เอาตำราขึ้นไปนอนอ่านทบทวนบนเตียงเวลาไม่ถึง5นาทีค่ะเสียงประหลาดนั้นมาอีกและคราวนี้วิ่งกับพื้นซีเมนรอบบ้านละรอบเลยจริงๆไม่ใช่แค่วิ่งออกกําลังกายเหาะแยะเหาะแย่นะแต่เหมือนคนที่กําลังตาลีตาเหลือกวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งคุณโยองบอกไม่ไหวและเสียงดังเกินวางหนังสือลงเดี๋ยวนี้งงมากหมาก็ไม่ห่าแต่มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เป็นความผิดปกติที่ผิดธรรมชาติซะด้วย ขณะที่กําลังงงอยู่นั้นค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์ก็เพิ่มดีกรีความสยองห น, หนักหน่วงกว่าเดิมเสียงคนใส่รองเท้าแล้วก็วิ่งตับ๊บตับตบนั้นเล่นเอาคุณโยงเนี่ยต้องมองตามเสียงเดี๋ยวก็ไต่ามาตามผนังด้านนอกจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นสองสักทักขึ้นบนหลังคาและคุณโยงร้องบอกเฮ้ยคว้าผ้าห่มมาคุมโปงหนังสง่งหนังสือกระเด็นไปไหนไม่รู้ได้ยินแต่เสียงวิ่งดังตึกตักตึ๊กตั ก, ต ก, ตกอยู่บนหลังคาน่ากลัวมากมันดังข่มขวัญกันหน้าดู คุณย่องเองบอกไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้เรียกว่ากลัวจนตัวสั่นเอามืออุดหูสวดมนต์แบบจับต้นชนปลายไม่ถูกสักพักหนึ่งเสียงทุกอย่างก็เงียบหายไปคุณย่องเอามือคลายจากหูที่ถูกอุดจนแน่นชาเนื้อตัวปวดไปทั้งร่างเหนื่อยใจจะขาดนะคะแต่ว่าที่แยกก่กว่านั้นคือมันน้อยใจนิดๆบอกว่าทําไมต้องเป็นผมนี่บ้านผมนะผมกําลังดูหนังสือด้วย น้ำตาคุณโย่งไหลเลยนะคิดว่าบ้านตัวเองอยู่เนี่ยตั้งแต่อ้อนแต่ออกคือไม่เคยรู้สักนิดว่ามีผีวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ไปเที่ยวกับใครเขาก็อุตส่าห์เป็นเด็กดีก็ยังมาหลอกกันได้ผีบ้านผีเรือนละสินเนี่ยไม่น่าทาแบบนี้เลยนะคะท้งบ้านเงียบสงัดค่ะในบรรยากาศมีอะไรบางอย่างที่ไม่มีตัวตนมีแต่ความรู้สึกมันเหมือนมีใครคนนึงกลังสานึกผิดอย่างอายที่คึกขนองเกินเหตุ คุณโย่งค้อนหลมค้อนแรงนะคะแล้วก็ไม่ดูหนังสือละดีนะที่ตั้งใจเรียนมาแต่แรกถึงไม่ดูคืนนี้ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้คงทําข้อสอบได้แต่ถ้าคะแนนไม่ดีและน่าดูนะคะพอคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็น้องๆกลับมาคุณโย่งบอกว่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทุกคนบอกอ้าวแล้วก็มองที่คุณโย่งถึงกับขำและก็คิดว่าฝันร้ายหรือไม่ก็สมองเพี้ยนชั่วครู่เพราะอยู่ตามลําพังในบ้านอันเวงววงและเงียบเหงา คุณย่องยังฝากทิ้งทายมาอีกนะคะคุณผู้ฟังบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่โดนผีหลอกกับเจ้าเปี๊ยกแล้วก็น้องชายวันนั้นเนี่ยไปที่บ้านคุณย่าที่บางนาหลังบ้านคุณย่าก็จะมีคูน้าแล้วก็ที่รกร้างคุณย่องเดินไปใกล้ๆตรงนั้นกับเจ้าเปี๊ยกเพราะว่าจะจับมแมลงมาให้แมงมุมที่เลี้ยงไว้เนี่ยกิน ทันใดนั้นเองก็เห็นผู้หญิงเนื้อตัวเขิวเขียวดำๆเพื่อนโคลนตมเดินขึ้นมาจากคูแล้วก็หายไปกลางอากาศยำโพรเพลคุณย่งยืนตะลึงอ้าปากค้างหันมาจะบอกเจ้าเปียกแต่ก็เห็นเจ้าเปียกเนี่ยกําลังเอามืออุดจมูกแน่นสรุปนะคะว่า คุณโย่งเห็นผีเต็มตาชนิดจังๆแต่ว่าเจ้าเปียกเนี่ยไม่เห็นอะไรได้แต่กลิ่นเน่าอย่างเดียวเท่านั้นเองก็เลยไปเล่าให้ญาติผู้ใหญ่ฟังเขาก็ทําหน้าเหมือนไม่เชื่อนะคะแต่คุณย่าก็บอกว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีคนฆ่ากันแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่คูน้ำเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังทำให้เห็นกับตาคุณโย่งบอกว่าไม่มีทางเชื่อเลยแล้วคุณผู้ฟังเคยเห็นอะไรบ้างหมคะ สำหรับเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันในบรรดาของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่เป็นนักประดาน้ำนะคะก็บอกว่าพบเจอกับเหตุการณ์ แ, แปลกๆแล้วก็อาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ท่าลั่นทมแห่งนี้ ก่อนอื่นบีก็ต้องขอขอบพระคุณเรื่องราวนี้โดยพี่เฉลิมพลซึ่งเป็นประธานประดาน้ําภาค7นะคะเป็นเรื่องราวศพที่16ที่เฮี้ยนหนักค่ะที่กู้ภัยศพนําศพขึ้นมาจากใต้น้ําพอเห็นศพเนี่ยทำเอาขนลุกเลยทีเดียวนะคะเรื่องศพที่16เฮี้นวันนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าในคืนวันที่12เมษายนเมื่อปี2558เวลาเที่ยงคืนนะคะก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่สูญหายใต้น้ําเป็นนักท่องเที่ยวชาวพาม่า ซึ่งเป็นผู้ชายหนึ่งรายมาด้วยกันทั้งหมด5คนแล้วก็ได้เช่าแพ่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแพร่ลากนะคะ แล้วก็ล่องออกไปจากฝั่งห่างกันประมาณ3กิโลเมตรค่ะจากนั้นก็ได้ผูกแพรไว้เพื่อพักผ่อน1คืนซึ่งตรงที่ผูกแพรพักกันนานนะคะห่างไปเล็กน้อยก็จะถึงถ้าลั่นทมซึ่งเป็นถ้าที่อยู่ใต้น้ําทั้งมีความกว้างแล้วก็ความลึกที่เรียกว่าลึกมากๆนะคะโดยพี่เฉลิมพลบอกว่าเคยลงไปสำรวจแล้วแต่ว่าเข้าไปไม่ถึงก้นถ้าเพียงแค่ว่ามาเจออาถรรพ์ก่อนก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะผูกแพรพักแถวนี้ค่ะ หลังจากผูกแพรเสร็จก็ได้ทานอาหารเย็นกันรวมทั้งดื่มสุราด้วยนะคะก็ดื่มกินกันได้พักใหญ่ก็เกิดอาการมึนเมาเลยชวนกันไปเล่นน้ำซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วจังหวะที่เล่นน้ำเนี่ยซึ่งต้องโดดลงจากแพร1ในสคนได้หายไปในน้ำโดยไม่ขึ้นมาอีกเลยพวกที่เหลือก็เลยแจ้งไปที่เจ้าของแพรบนฝั่งให้นาเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ จึงแจ้งมาทางมูลละนิธิพิทักการให้มาค้นหาก็ค้นกันจนถึง7โมงเช้าก็ยังไม่พบนะคะก็เลยขอกำลังมาจากทางชมรมกู้ภัยภาค7นะคะก็ได้นำกำลังพร้อมทั้งประสานมูลละนิธิสว่างราชบุรีให้มาร่วมค้นหาด้วย ต้องเดินทางจากที่ตั้งไปยังที่เกิดเหตุก็ระยะทางประมาณ150กิโลเมตรพี่เฉลิมพลบอกว่าไปถึงท่าลงเรือก็ประมาณ11โมงแล้วก็นั่งเรือออกไปอีก20นาทีก็ถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ได้วางแผนร่วมกันวางจุดที่จะค้นหาตกลงว่าพี่เฉลิมพลเนี่ยจะลงไปสำรวจว่าสภาพใต้น้ำเป็นอย่างไรแล้วก็จะลองค้นหาดูคนเดียวก่อนโดยทิ้งทุนลงไปจากที่จุดที่จมนะคะความลึกอยู่ที่30เมตร ระหว่างที่ไต่ระดับความลึกลงไปเรื่อยๆก็รู้สึกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าที่แรงมากแต่ก็ไม่ทำให้รู้สึกหวั่นไหวก็ไต่ระดับลงไปอีก แล้วก็ใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆซึ่งสภาพใต้น้ำเนี่ยเป็นหินผามีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็ยังคงมีอยู่มากมายนะคะแล้วก็ความชันที่มีอยู่เนี่ยประมาณ70องศาคุณเฉลิมพลบอกว่าก็ไต่ลงไปเรื่อยๆนั่นแหละจนถึงความลึกประมาณ30เมตรน้ำเย็นจัดแล้วก็มืดมาก การมองเห็นต้องใช้ไฟฉายช่วยตลอดเวลาคุณเฉลิมพลก็ค้นหาไปเรื่อยๆแล้วก็ลงลึกไปอีกจนอยู่ที่ระดับ45เมตรแต่ว่าทันใดนั้นทันทีที่วาดไฟฉายไปสายตาเขาก็มองเห็นร่างของผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่กับหินห่างจากตัวของคุณเฉลิมพลนเนี่ยนะคะประมาณ3เมตรค่ะซึ่งสภาพศพก็ไม่ได้ใส่เสื้อใส่เพียงแค่กางเกงในตัวเดียวตัวขาวซีดแขนขาเกรง็ง เมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็เลยว่ายน้าเข้าไปใกล้แล้วก็ใช้มือเนี่ยคล้องแขนเพื่อที่จะนำขึ้นมาระหว่างที่นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาถึงระดับความลึกประมาณ15เมตรนะคะก็จะถึงผิวน้ำแล้ว ตัวของคุณเฉลิมพลกับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ลอยขึ้นไปติดอยู่กับกิ่งไม้ต้นใหญ่แล้วก็รกมากก็เลยทําให้ไม่สามารถพาร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาบนผิวน้ําได้เพราะว่าตัวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือคุณเฉลิมพลเนี่ยติดอยู่ในพุ่มไม้ใหญ่ก็พยายามแกะออกอยู่พักนึงก็ไม่หลุดนะคะจึงจําเป็นต้องปล่อยผู้เสียชีวิตลงใต้น้ําเพื่อเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยกลับลงมาใหม่ตัวของคุณเฉลิมพลเนี่ยปลดตัวเองออกจากกิ่งไม้ก็ ใช้เวลานานพอสมควรก็เลยทำให้อากาศในถังเหลือแค่50บาร์ซึ่งไม่พอใช้ในการค้นหาอีกรอบจึงขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อเปลี่ยนถังออกซิเจนใหม่โดยเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังค่ะว่าเจอแล้วแต่ว่ายังนำขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามีกิ่งไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่นเป็นอุปสรรคก็เลยต้องขึ้นมาก่อนต่อจากนั้น ก็เลยให้ลูกข่ายพิทักการสว่างราชบุรีแล้วก็หน่วยที่ปฏิบัติการทางน้ําของเทศบาลเอราวัณลงไปที่จุดที่พบศพแล้วก็นําเชือกลงไปผูกกับศพไว้เพื่อที่จะดึงขึ้นมาพอวางแผนเสร็จก็ทํางานตามแผนที่วางไว้ค่ะจนบรรลุถึงความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางแต่ระหว่างที่คุณเฉลิมพลจะนําศพขึ้นมาพร้อมกับทีมงานใต้น้ําของมู ล, ลนิธิพิทักการที่มาค้นหาก่อนตอนกลางคืน กับระหว่างที่คุณเฉลิมพลเนี่ยนำศพขึ้นมาจากใต้น้ำเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าตอนกําลังนำศพขึ้นมาจากใต้น้าให้ฟังคือระหว่างที่ผมพบศพแล้วที่ความลึก45เมตรเนี่ยก็ใช้มือช้อนไปที่แขนศพเพื่อจะนำขึ้นไปบนผิวน้ำแต่ระหว่างที่จะถึงผิวน้ำอีกเพียงแค่15เมตรตัวของผมกับศพก็ไปติดกับกิ่งไม้ใหญ่ซึ่งเป็นพุ่มกว้างแต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปได้ก็เลยแกะอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยังไม่หลุด ก็เลยตัดสินใจปล่อยมือจากศพให้หลุดลงไปถึงเบื้องล่างของใต้น้ำอีกครั้งแต่ระหว่างที่ผมปล่อยมือศพลงเบื้องล่างก็ส่องไฟฉายตามศพลงไปด้วยทันใดนั้นสิ่งที่เห็นเบื้องล่างใต้น้าเขาบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาคือเห็นเป็นผู้ชายแก่ผมยาวแหงนหน้าขึ้นมาทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยแล้วก็คิดในใจว่าเอาแล้วกา๊าซไนโตรเจนเล่นแล้ว เพราะว่าในถังเนี่ยคือกา๊าซใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่พอฉายไฟไปอีกทีหนึ่งก็ยังคงเห็นเหมือนเดิมดังนั้นก็เลยไม่มองลงไปก็ตั้งหน้าตั้งตาแกะกิ่งไม้ออกแล้วก็ขึ้นมาบนผิวน้ำทันทีโดยไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวว่าเขาหาว่าเราบ้าอีกอย่างนึงเดี๋ยวกลัวลูกน้องไม่กล้าลงไป พอขึ้นมาก็วางแผนกันโดยดำลงไปเอาเชือกผูกศพแล้วก็ช่วยกันดึงขึ้นมาจนสำเร็จแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลท่ากระดานเพื่อชนะสุตรศพต่อไปนะคะระหว่างเดินทางกลับบ้านทีมงานดำน้ำชุดที่มาก่อนเมื่อคืนเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าของแพรบอกว่าที่ตรงนี้แรงมากมีถ้ำใต้น้ำชื่อว่าถ้ำลั่นทมมีคนมาเสียชีวิตที่นี่หลายรายแล้วเป็นที่อยู่ของพญานาคราชไม่มีใครกล้ามาแถวนี้หรอก แพที่มาจอดตรงนี้เนี่ยแขกที่มาเที่ยวจะเจออาถรรพ์ทุกรายซึ่งตรง ก, กันกับที่ทีมงานของหน่วยพิทักการเจอมาเมื่อคืนนะคะใครหลับก็จะฝันเห็นมีเด็กหลายคนมาวิ่งเล่นในแพรทำให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทั้งคืนถ้าจะให้พบศพก็จะต้องทำการจุดธูป16ดอกเพื่อทำการขอขมาก่อนแล้วตอนที่พบศพก็จะมีน้าวนอยู่ตรงที่พบตลอดเวลาซึ่งทุกคนบอกตรงกันว่า ตอนที่ผมลงไปค้นหาจนพบศพแล้วกำลังนําขึ้นน้ำตรงนั้นวนแรงมากมันไม่ใช่พรายน้ำที่เราหายใจออกอย่างแน่นอนทุกคนที่เห็นก็พากันตกตะลึงแต่ก็ไม่มีใครเล่าให้ฟังจนกระทั่งระหว่างเดินทางกลับถึงมาเล่าให้ผมฟังเรื่องที่เจอเป็นเรื่องจริงไม่ได้ประดุงแต่งใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่ว่าส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งร้นลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้มีจริงๆคุณเฉลิมพลพูดตบท้ายนะคะ งานค้นหาใต้น้ำในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปสรรคหลายอย่างเช่นการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนอุณหภูมิน้ำที่เย็นจัดรวมทั้งแรงบีบกดของน้ำแล้วก็ต้นไม้ที่แหลมคมรกทึบสัตว์ ร, ร้ายใต้น้ำล้วนเป็นปัญหาของนักประดาน้ำทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นค่ะก็ควรจะวางแผนให้รอบครอบก่อนลงดำน้าเช่นจุดขึ้นลงเวลาสัญญาณต่าง จุดอันตรายที่ควรระวังก็ทำตามแผนที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดอย่าอวดเก่งอย่าคึกขนองถ้าเกิดปัญหาใต้น้ำก็อย่าตื่นกลัวมีสติตลอดเวลาที่อยู่ใต้น้ำถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยหรือไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้ให้ยกเลิกการทำงานทันทีโดยไม่ต้องลังเลนะคะ พี่เฉริมพลซึ่งเป็นประธานประดาน้ําภาคเจ็ก็ฝากบอกมาค่ะขอบพระคุณสําหรับเรื่องราวน่าตื่นเต้นแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้อีกหนึ่งสถานที่และก็อีกหนึ่งเรื่องที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันประจําวันนี้นะคะหมดเวลาของบีแล้วละค่ะพบกันได้ใหม่ในวันต่อไปกับพระเจอผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บีด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ